เรื่องกระพันทพเปรตหนึ่งเรื่องวงเล็บเปรตสีสาขาดสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับณพระเวรวันสถานที่ให้เหยอกระแตเขตกรุงราชฤกษ์ครั้งนั้นท่านพระลักษณะกับพระมหาโมคคลานะพักอยู่ที่เขาชิจกูดครั้นเวลาเช้าพระมหาโมคคลานะครองอันตราวาสกถือบาดและจีวรเข้าไปหาพระลักษณะจนถึงที่อยู่เชิญชวนว่าท่านลักษณะ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 เราก็เห็นกับพันธเปรดนั้นแต่ไม่พยากรณ์เพราะการพยากรณ์ น, นั้นจะไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลซ้ำจะเป็นทุกยาวนานแก่ผู้ที่ไม่เชื่อเราภิกษุทั้งหลายเปรดนั้นเคยเป็นเพชฌฆาตฆ่าโจรชื่อธามริกะอยู่ในกรุงราชครือเพราะผลกรรมนั้นจึงตกนรกหมกไหมยอยู่หลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีและได้มีอัตภาพเช่นนี้เพราะเศษกรรมที่ยังเหลือ โมคคาณนากล่าวจริงจึงไม่ต้องอาบัติวงเล็บเรื่องที่หาเอด